บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปก า, าระแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปแดกล่าวถึงเรื่องของมารทั้งห้าที่พระาาีุทธเจ้าทรงชัยชนะทรงได้ชื่อว่าจนได้ชื่อว่าเป็นพระผู้พิจิตมารแล้วก็มีการสร้างประพุทธรูปที่เรียกว่าปางมารวิชัย ก็คือปางที่ทรงชัยชนะมานมานที่พระเจ้าทรงชัยชนะในคราวนั้นในการชนะครบทั้งห้ามานโดยท่านจำแนกมานที่สำคัญมากเป็นพิเศษก็คือเรื่องของกิเลสสมารแต่แกมานคือกิเลสการบามานนั้นโดยความหมายก็หมายถึงอุปสรรค ผู้กระจัดผู้ทำลายผู้ขัดขวางตลอดถึงผู้ฆ่าก็แล้วแต่ความรุนแรงของมันที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณีซึ่งวันนี้พื่สังเกตว่าความรู้สึกที่เป็นกินเลสก็จะเป็นสายของความโลภสายของความโกรธหรือสายของความหลงก็ตา่าง เกิดขึ้นภายในใจบุคคลแต่ละคนโดยเฉพาะคือสามารถตรวจสอบได้ที่ใจของเราเองว่าเวลาเกิดเขาไม่ได้เกิดในระดับเดียวกันเสมอไปบ า, บ, บางคราวก็เกิดขึ้นรุนแรงจนควบคุมไว้ไม่ได้ก็ออกมาทางกายทางวาจาและในขั้นที่ออกมาทางกายทางวาจาซึ่งเป็นการดา่าเป็นการประทุษร้ายกันนั่นเอง มันก็มีความรุนแรงที่แตกต่างกังนออกไปอีกถึงก็นีขึ้นอยู่กับในช่วงใดในขณะใดที่เรากําลังปฏิบัติไปตามแรงผลักดันของกิเลสอยู่นั้นสติสัมภิญญาได้เกิดขึ้นก็จะลดความรุนแรงของกิเลสลงไปพราะบางครั้งบางคราวเกิดจงเกิดความโกรธหรือเกิดความโลภที่รุนแรงขึ้น แต่พอเริ่มจะทำเริ่มจะพูดตามแรงภลักดันของกิเลสต่านั้นก็เกิดสติสมัมปชัญญะขึ้นมาเนรัางจิตใจตัวเองเอาไว้ห้ามใจตัวเองเอาไว้ไม่ให้ไปกระทำหรือพูดในลักษณะนั้นยกตัวอย่างเช่นอาจจะไปพบทรัพย์สมบัติก็วางทิ้งไว้เป็นจำนวนมาก ก็เกิดความโลภขึ้นมาครอบกรรมจริตใจจนถึงก็เดินก็ไปหาเอื้อมมือที่จะหยิบมองท้ายมองฝาไม่เห็นใครเ้วเอื้อมมือที่จะหยิบแต่เกิดสติสัมปญญะเหนี่ยวรังจิตเอาไว้ในขณะนั้นมันก็อดมือกลับมาได้ซึ่งท่านสาธุชนจะสังเกตอาการกิเลสได้ว่าบางครั้งเกิดโกรธขึ้นมาอาา้าปาก นึกจะด่าแล้วก็หยุดไว้ได้หรือไม่ด่าหรือว่าด่าไปแล้วคำหนึง่งแล้วก็หยุดไว้เท่านั้นเป็นต้นนั้นแสดงถึงการต่อสู้กันระหว่างกิเลกกสกับธรรมะที่มีอยู่ภายในใจคนแต่เราถึงสภาพแวดล้อมที่ช่ยเหลือเกื้อกูลในรับขนา น, นั้นฉันยกตัวอย่างว่าริยบทอย่างหนึ่งหรือการกระทําอย่างหนึ่งเราทําได้ในที่หนึ่ง แต่พออยู่อีกที่หนึ่งก็เกิดมโนธรรมสำนึกเกิดสติสำชัญญาหากข้ามจิตใจเอาไว้เช่นเราอาจจะนั่งจะนอนยังไงก็ได้ที่บ้านในห้องของเราแต่พอไปเริ่มเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนบางกลุ่มหรือบุคคลบางคนอิ้แยาบทที่เคยใช้อยู่ในเป็นการส่วนตัวมันก็ใช้ไม่ได้ แต่การใช้ไม่ได้นั้นกึงสังเกตว่าบริบาติติสมัชชัญญาจะต้องมีถ้าไม่มีมากพอก็อาจจะใช้อย่างตัวอย่างกรณีเด็กเล็กๆทั้งหลายจะเรียกว่าไร้เดียงสาก็คือไร้ปัญญาที่จะควบคุมพฤติกรรมของตัวเองให้เหมาะให้ควรแต่สามารถที่จะทำอะไรได้ในกลุ่มคนมากๆเรียกว่ากลุ่มคน ที่อยู่คนเดียวหรือว่าอยู่กันกับเพื่อนกับพ่อกับแม่เป็นตน้นนั้นแต่เรามองดูตึงอาการที่สะท้อนพฤติ ก, กรรมไปจะเห็นว่าสติสัสมปชัญญะนั้นไม่มีกำลังมากพอแล้วก็มีแต oh ่โมหะคือความไม่รู้ไม่รู้อะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเป็นเหตุเป็นผลอะไรเนี่ยก็ต้องมีการฝึกปรืออบรมชี้แนะกันอยู่สมเสมอ พฤการของกิเลสกับอาการของธรรมะจึงปรากฏอยู่ในวิถีชีวิตของบุคคลแต่ว่าตอนนี้ท่านเน้นเฉพาะสายของกิเลสคือเน้นเฉพาะสายที่เป็นมารซึกงทำหน้าที่ล้างผลาญตัดรอนเยียดเบียนเข็นฆ่าทําลายล้างบุคคลคนนั้นก่อนที่จะออกไปข้างนอก ว่าในลองสังเกตว่าจะเป็นความโลภความริษยาความอาฆาตความโกรธความมึงหวงอะไรก็ตามเวลาที่เกิดขึ้นแล้วจปะปุถุสราจิตเรากร่อนมันคล้ายๆกับไม้ขีดที่เราจุดแล้วจะไหม้ตัวก้านไม้ขีดนั้นก่อนแล้วจะไปเผาไหม้ไปจุดต่อในที่อื่นต่อไป ใ, ใจของบางคนที่เกิดกิเลสฟูขึ้นครอบงาใจก็จะมีลักษณะอย่างนั้นความร้ร้อนการตกแผลเผาก็จะเกิดขึ้นภายในจิตตัวเองก่อนแล้วจากนั้นไปจะได้เชื่อในลักษณะใดเรื่องจะดูธรรมชาติธรรมดาที่เราเกี่ยวข้องเช่นที่พูะเจ้าทรงเรียกกิเลสว่าเป็นไฟเป็นอคิคือเป็นไฟ ราคะขี้ไคือราคะโทสกี้ไคือโทสัมโมหขี้ยคือโมหะเราก็ดูตัวอย่างไฟก็ได้เพราะไฟเวลาแกลุกไหม้ขึ้นมานั้นแกจเะเผาในจุดนั้นก่อนทีนี้ปัญหาสำคัญว่าจะดุกลามมากหรือน้อยมันก็อยู่ที่แกได้เชื้อไ ด, ด้ลักษณะใดทําไหม้ไปนหน่อยหนึ่งไปเจอน้ําขนาดหนักจํานวนมากเข้าแกก็ไปไม่รอดก็ต้องดับไป ถ้าไปเจอเชื้อเข้ามาถึงจะวัยต่อการลุกไหม้ก็จะลุกไหม้ไปได้เร็วนี่เป็นลักษณะที่เป็นรูปธรรมเดี๋ยวนี้เคยยกตัวอย่างให้ฟังเสมอว่ากิเลสนั้นธรรมะเนี่ยทั้งกุศลนะกุศลนั้นเป็นนามธรรมเพราะการเรียนรู้ในเบื้องต้นจึงต้องเรียนจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมมัมเข้าใจง่ายแล้วก็มองกลับเข้ามาที่ตัวอีกทีหนึ่ง คือประเด็นสำคัญจะต้องมองกลับเข้ามาที่ตัวให้ได้แล้วจึงจะเกิดเป็นความรู้ควาวเข้าใจที่ถูกตรงสามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองหรือพฤติกรรมของตัวเองให้ไปในทางเหมาะทางควรได้ครนี้เพิงดูตัวอย่างการปฏิบัติธรรมะของพระโพธิสัตว์กิริ พ, รพุธเจ้าคก่อนที่จะศัสรูนั้นท่านเรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์ ตอนนี้ส่งมาเป็นทุกขกรกรมยาหยุดนั้นเป็นอาการของโมหะแล้วก็โลภะโมหะก็เป็นผู้นำให้เกิดการโลภะคืออยากได้แต่ไม่รู้ว่ามันจะได้วิธีนั้นได้สิ่งนั้นมาโดยวิธีใดผนก็ใช้วิธีท ร, รมานร่างกายเพราะในช่วงนั้นท่านก็ถูกมารครอบงำจิตวิญญาณเอาไว้แล้ทรมานลงเองลงไปโดยลาดับจนเกือบจะย่ำแย่ไป ก็สไลบสลายไปเลยประกายแห่งปัญญานั้นได้ผุดขึ้นภายในพระไทยในขณะที่ประวัตกายกำลังสบความทุกข์ตรมาณอยู่นั้นก็โดยการได้ยินเสียงพินซึ่งว่าจะยิงเสียงพินนั้นเป็นธรรมดาแต่พระอาจาในรุ่นหลังท่านเล่าว่าเป็นการดีดพินเพื่อให้สติ ยังมีคําร้องประกอบเสียงพินออกมาด้วยว่าดิดพินจากประบัณจงทำสายพอดีตึงนักสายมาขาดเพลงบีนาทหมดเสียงใสห ย, ยอนนักสายหมดไปจงทำสายพอดีแล้วก็พูดถึงเรื่องพินแต่ว่าพินนั้นก็คือสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติประการหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นโดยการปรุงแต่งของบุคคล แต่ว่าสิ่งที่จะปรุงแต่งหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติก็ตามมันต้องอยู่ในจุดที่เรียกว่าปกติมากไปน้อยไปมันก็เป็นดีด้วยกันทั้งนั้นเพราะน้พระโพธิสัตว์จึงน้อมเข้ามาดูที่การปฏิบัติของพระองค์แต่ตอนเรียนนี่จริงมันเรียนจากข้างนอกเป็นการขับเพลงพินบรรเลงพินของ คนในแถวนั้นได้ที่บาลีท่านบอกว่าเป็นเท่าสากะาทีวราไหรือแม่ในการตรวจสอบวิเคราะห์จิตใจของพระองค์ในขณะที่มันเป็นเพียนอยู่มันเกิดเป็นปัญหาว่าจะไปไหนก็ไม่ไปคือจิตมันไม่ก้ารุดไปข้างหน้าแต่ก็ไม่ถึงกระถอยหลัง มันก็เป็นปัญหาว่าทำไอยู่เป็นเช่นนั้นในสุดก็ส่งวิเคราะห์พระไทยของพระองค์แต่เพื่อจะให้เกิดเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเข้าใจได้ง่ายพระองค์ก็เริ่มเรียนมาจากข้างนอกกเรียนอยทอนไม้เป็นสามท่อนแต่ความจริงมันก็วางอยู่ใกล้ๆนั่นเองเพราะว่าไปบปําเพ็ญเพียรอยู่ริมแม่น้ําในรันเทราท่อนไม้มันก็แจ้ง พระองค์ก็มองท่อนไม้เหล่านั้นแล้วก็มองที่จิตของพระองค์มองจิตของพระองค์แล้วก็มองท่อนไม้ใ น, นสุดมันก็ได้ทอนไม้เอาไปเป็นสามประเภทเพื่อเปรียบกับพื้นจิตของคนสามประเภทเหมือนกันโดยท่อนไม้ท่อนหนึ่งก็ยังแช่อยู่ในน้ำด้วยเป็นไม้สดด้วยแช่อยู่ในน้ำด้วย เราแสดงเขาเปียกอยู่ทั้งสองอย่างก็เปียกทั้งน้ําแล้วก็เปียกทั้งหยาก็ทรงพิจารณาดูว่าสัมมาพรามหมณ์เราใดเหล่าหนึ่งที่กายก็ยังไม่ออกจากกามทั้งจิตใจก็ผัวพันบกพุุนอยู่ในกามสําหรับพรามหมณ์นั้นไม่จะใช้ความเพียนพยายามยางไรก็ตามก็ไม่สามารถเจริญรลุกุ์นพิเศษได้เหมือนไม้สดที่ชุ่มอยู่ด้วยยางกระก็วางไว้ในน้ํา บุคคลต้องการจะนำมาเสียเกิดไฟขึ้นมามัก็ไม่อาจเสียสีได้พอมาดูที่ประทัยของพระองค์พระองค์ก็ไม่ถึงกขนาดนั้นเพราะจริงกายของพระองค์นั้นได้หลีกมาจา ก, กวังเป็นเวลานานแล้วแต่ส่วนกายจริงไม่มีปัญหาแต่มีปัญหาอยู่ที่ส่วนจิตส่วนประทัยของพระองค์แล้วก็มองไปที่ท่อนไม้อีกท่อนหนึ่ง อุปมาเทียบเคียงกลับมหาพระองค์ว่าสมณพราหมณ์เราใดเหล่าหนึ่งที่กายออกจากกา ร, รมแล้วแต่ว่าจิตใจยังพัวพันหมกมุ่นครุ่นคิดพุ้นวายอยู่ด้วยเรื่องของก ร, ง ร, รรมทั้งหร่สมณพราหมณ์เหล่านั้นแม้จะใช้ความเขียนพยายามอย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถที่จะบรรลุคุณวิเศษได้เหมือนไม้สดที่ยังมียางแม้จะวางไว้บนบก มันก็เปียยนก็เปียนอย่างเดียวคือเปียกจางแต่คนจะต้องการนำมาสีไฟก็ไม่อาจจะให้เกิดไฟได้จะเดียวกันเพราะไม้เปียกตรงนี้จะเห็นได้ชัดว่าพระไตรของโรามึงค่อนข้างกำมกึ่งมาอยู่ตรงนี้กายก็ออกจากกามแล้วแต่ว่าจิตใจนั้นยังไม่เดินไปในทางที่ปราศจากก า, างเต็มที่ พเม่เกิดเป็นภาวะชักงานขึ้นภายในใจแต่ตอนต่อไปก็ส่งมองถึงว่าคืออย่าลืมว่าไม้ที่จะสีแล้วก็กิดคึนไฟไฟในที่นี้ไม่ใช่ไฟกิเลสคือคำว่าไฟนั้นให้ดองสังเกตว่าถ้าพูดในลักษณะเผาลนให้เจ็บปวดก็จะเน้นไปนทางกิเลสแต่บางทีเผาเมือนกัน คือเผาทำลายล้างสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยก็หมายถึงธรรมะเรีย ก, กไฟคือยานเรียกในทำนองเผาทำลายสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยกับอาการให้แสงสว่างของไฟแต่ใช้ในกรณีของแสงสว่างก็ต้องหมายถึงความดีหมายถึงตัวปัญญา อุปมาณนั้นได้ใช้สิ่งเดียวกันแต่ว่าใช้คนละมุมกันองคก็มาพิจารณาว่าสมณพราหม์เราใดเราหนึ่งที่กายก็ออกจากกามแล้วทั้งจิตใจก็ไม่ปัวพันธหมกมุ่นคุค้น ค, คิดอยู่ในกามะคุณหมายความในขณะนั้นจิตจะต้องสงบอยู่ด้วยอำนาจของสมาธิไม่จะถึงกับหมดกิเลสแต่ว่ากิเลสมันสงบ อยู่ด้วยอำนาจของสมาธิแต่ครามเหล่านั้นเมื่อใช้ความเปลี่ยนพยายามไปก็จะบรรลุกุณอภิเศษได้เหมือนไม้แห้งที่ปราศ จ, จากยางและบุคคลวางไว้บนบกเมื่อใครต้องการจะนำมาสีเกิดไฟเพราะเกิดไฟเึ้นมาได้ปัญหาสำคัญมก็อยู่ที่จิตคือตรวจสอบดูจิตเป็นสามช่วงช่วงแรกนั้นทั้งกายทั้งจิตก็ไม่ได้ ออกไปจากอำนาจของวัตถุกรรมแล้วก็มีกิเลสกรรมอยู่ภายในจิตมีวัตวัตถุกรรมรอบตัวอันนี้เป็นไปไม่ได้เราลองดูตัวอย่างง่ายๆก็ได้ว่าสมมุติเราจะทําใจส ง, งบแล้วไปนั่งอยู่ตามบาตามครับตามเหล่าตามอะไรไม่มีทางเลยจะทําได้เพราะอะไรเพราะภาพเหล่านั้นมีลักษณะกระตุน้นเร่งเร้าวเชิญชวนจากชวน อด้อนปิริปิไรก็แล้วแต่ว่าอากาศมันจะมากขนาดไหนเป็นการเพิ่มเชื้อกิเลสไฟกิเลส ท, ที่มีอยู่ภายในใจตนเองให้มากิ่งขึ้ น, นเพราะวิธีเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องตั้งแต่มงคลลสูตรเอาไว้ที่ห้ามกบคนผ่านก็เพราะอะไรเพราะได้คนแวดล้อมที่ไม่ดีมันจะกระตุ้นเตือนให้เกิดกิเลส เกิดโลภะบ้างเกิดโทสะบ้างไม่เกิดโมหะบ้างแล้วแต่เราก็ต้องหลบกดพวกนี้ให้ได้จากกันเพื่อให้กายของตนนั้นออกจากวัตุการามหยาบๆที่มีลักษณะกระตุน้นนะฮะกระตุ้นเร่งเรา้าที่เรียกว่า ย, วย่อยุหรือย่ย ว, ย ว, ย ว, ย ว, ยวนเพื่อจิตจะได้ ตัดกระแสอารมณ์คือความสนใจใส่ใจหมุกพุ้นคุณคิดอยู่ในเรื่องหล่นั้นจะมีเวลาทำความสงบจิตได้าการทำจิตให้สงบจึงเป็นไม้แห้งที่ปราศจากอย่างและหวังไว้บนบกคือภาพเราจะเห็นเป็นภาพว่าจิตจะต้องมีลักษณะอย่างนั้นหมายความว่าเหมือนไม้แห้งด้วยคือหมายความว่าแห้งในตัวของเขาก่อน แต่แห้งในระดับนี้เป็นการแห้งเพื่อจะเตรียมพร้อมที่จะสีให้เกิดไฟในโอกาศต่อไปจึงพูดถึงความสงบระดับของสมาธิเพราะฉะนั้นในขณะนั้นกายมันก็ออกจากสิ่งแวดล้อมซึ่งมีลักษณะยัวยุวๆย่ยวนให้เพิ่มกิเลสขึ้นจิต ก็สามารถสงบกิเลสไว้ได้ด้วยอำนาจของฌานหรืออำนาจของสมาธิการทำให้จิตมีความพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติต่อไปถึงจุดหนึ่งแสงสว่างคือญาณก็บังเกิดขึ้นอย่างที่กล่าวคำมราตนากรรมฐานว่าข้าขอทิฏฐานต่อพระทรงญาณญาณตัวนี้แหละได้เกิดผุดขึ้นภายในใจ แต่พูดขึ้นหลังจากใจเดินไปถึงตรงไหนแล้วคือสภาพใจมันต้องเปลี่ย น, เ ป, นเป็นวิธีแบบธรรมชาติมันใกล้ๆจะว่าคล้ๆกับผลไม้นี่ฮะออต้นไม้จะออกดอกออกผลเมื่อไหร่ไปพูดไปพูดมาว่าไม้ชนิ่ไหนมันมีอายุการให้ดอกให้ผลกี่ปีแจะอยู่ในสภาพแวดล้อมอยังไงคือสภาพแวดล้อมต่างๆมันก็คุณดีอาจจะให้ผลเร็วก็ได้ แต่ก็ไม่ใช่เร็วอยเกินไปแต่ถ้าภาพเวทล้อมไม่ดีก็อาจจะช้ากว่ากําหนดก็ได้เจตมรคนไม้จะนิดหนึ่งนะปลูกหนึ่งปีก็จะให้ดอกให้ผลถ้าสิ่งต่างๆเวทล้อมเกื้อกูลต่อการให้ผลของแก่อาจจะออกผลออกดอกผลเมื่อเจ็ดแปเดือนก็ได้แต่เก้าเดือนก็ได้หรือว่าอาจจะเลยไปนั่นก็ได้ถ้าหากว่าสิ่งเวทล้อมไม่ดีต้นฐานจิตหรือพื้นจิต ที่จะทำให้บุคคลพร้อมจะสงบหรือสยบอำนาจของกิเลสมาแต่ก่อนจะสงบมันต้องสยบสยบอำนาจของกิเลสไว้ได้ก่อนสภาพจิตในช่วงนั้นจึงเป็นสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสที่ทําปฏิกริยาต่อจิตคือไม่จะถึงก็หมดกิเลสไปได้ ก็ทำให้ท่านเหล่านั้นพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติจึงจะเห็นได้ว่าการมองเห็นข้อของกิเลสระดับนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะเพราะอะไรเพราะโดยพื้นฐานปกติของมนุษย์แล้วเนี่ยแม้ตัวกระทำผิดอะไรรุนแรงก็จะมีข้อแก้ตัวได้ที่ก้ออ้างได้ ปัจจุบันเรามีจำนวนอยู่จำนวนหนึ่งที่ชอบพูดกันด้วยคือเรื่องนี้ผมอธิบายได้ก็อธิบายได้ทั้งนั้นโดยพ้นค่าเขาแล้ววกอย่างอธิบายได้ไม่ได้แปลกอะไรเรื่องอธิบายหรือไม่อธิบายประเด็นสําคัญก็อยู่ที่คนเรานั้นมองเห็นโทษของตัวเองได้ยากแต่สมาพโของบุคคลอื่นเราก็เห็นได้ง่าย จริงหลักเหล่านี้ไม่ใช่ทั่วไปแก่คนทั้งหลายหมายความคนผา น, นั้นจะเห็นโทษของบุคคลอื่นได้ง่ายเห็นโทษของตนเองได้ยากเพราะอะไรเพราะลักษณะของคนผา น, นั้นจะเพ่งโทษคนอื่นเป็นลักษณะแต่ส่วนบัณฑิตนั้นจะเห็นโทษตัวเองได้ง่ายเห็นโทษคนอื่นได้ยากเพราะบัณฑิตจะเพ่งพิจารณาตรวจสอบโทษของตัวเองเป็นหลัก เพราะเรื่องนี้จึงเป็นการวิเคราะห์เจาะลึกัวที่จิตตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิเลสอย่างยากเนี่ยให้รู้จักกิเลสอย่างยากให้ชัดไปก่อนหรทํทำยังไงว่าผิดก็รู้ว่าผิดนี่คือประเด็นระดับศีลสักศึษาทุชนทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าในวงการศึกษาปฏิบัติของพุทธบริษัท พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงขีดเส้นลงไปว่าเอาจากเนี้ยจากนี้ไปถึงนี้ไปเลยแต่ที่จริงพร้อมที่จะให้อภัยพร้อมที่จะรอคอยพร้อมที่จะเข้าไปประคับประคองช่วยเหลือคือครูผ่านการเวลาสลร้างเนื่อไขปัจจัยก็มาส่งเสริมสนับสนุนก็มีความประนีตมากยิ่งขึ้นในชีวิตของบุคคลเหล่านั้นเพราะในหมู่พุทธบริษัททั้งยเองก็ทรง สั่งสอนเรื่องสีท่าเอาไว้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะขาดไปได้ขาดก็ได้ขอใหม่พยายามสํารวมระวังต่อไปจนกว่าจะรักษาได้สมบูรณ์แต่ถ้าใครจะทดลองสูงไปกว่านั้นก็ไปที่ศีรษะโบสดรักษาโบสถได้มากกว่านั้นมันก็อาจจะรักษาเป็นปฏิหาริยะโบสถ หรืออาจจะรักษาประนีขึ้นไปกว่านั้นก็อาจจะรักษาที่ศีลแปดหรืออาจจะขยับให้ประนีขึ้นไปกว่านั้นก็เป็นศีลสิบเป็นต้นแต่ว่าศีลทุกระดับนั้นผู้ที่ละเมิดหมายความว่าก็มีกิเลสแรงในขณะนั้นถ้ากิเลสไม่เกิดแรงนั้นจะไม่ละเมิดเพราะ่นเราจึงไม่ได้ทำช่วใได้ตลอดกิเลสไม่แรงเราทาไม่ได้ ไม่ต้องเอาอะไรขนาดนึกจะด่าใครสักทีเนี่ยถ้ากิเลสไม่แรงมันจะด่าไม่ได้กิเลสต้องเกิดขึ้นแรงในขนาดนั้นเพราะตรงนี้แหละถ้าหากว่าบุคคลได้มีการวิเคราะห์ตรวจสอบโดยอาศัยญาณปัญญาระดับหนึ่งมองเห็นโทษว่ามันเป็นโทษ จำนวนบาลีท่านใช้ขันติท่านใช้มองเห็นโทษโดยความเป็นโทษมองเห็นคุณโดยความเป็นคุณหมายความว่าร้อนก็บอกว่าร้อนเย็นก็บอกว่าเยน็ยนเป็นการยุติด้วยความจริงที่เราสัมผัสในขณะนั้นๆั้นคุณสมบัติเหล่านี้ที่จริงเรามีแม้แต่คนผ่านก็มีเนะี่ยคนผ่านเขาก็สามารถเห็นโทษของคนอื่นได้ครับที่ว่าีแจงโทษของบุคคลอื่นได้ ก็แสดงว่าเขารู้อะไรเป็นโทษอะไรไม่เป็นโทษแต่พวกนี้จะมีลักษณะเหมือนกับขวานคือว่าถากก็ดือได้แต่ถากด้ามตัวเองไม่ได้ถึงคนนี้พระเจ้าทรงแสดงไว้ในพระบาลีด้วยพระองค์เองบางคนเรามีขวานติดปากมาคนละเลว่าคนละเล็กเอาไปใช้ถาก ตัเอาเอาจริงๆมันน่าจะถากตัวเองนะฮะใช้ถากตัวเองตัดเตือนตัวเองแต่ว่าคนมากมากจะไปถากคนอื่นนั้นจิตวิเคราะห์ในความหมายทางพุทธศาสนาะที่จะเห็นโทษกิเลสได้ชัดเจนก็ต้องมองเห็นโทษว่ามันเป็นโทษผิดว่าผิดใครผิดล่ะเราผิดก็ได้ใครผิดก็ได้มากว่ามาฐานกฎเกณฑ์ในกำหนดไว้อย่างนี้ แล้เราไปทำผิดมาตฐานเหล่านั้นเราก็ผิดนดาย ก, ก, ก็ทำผิดมาตฐานเหล่านั้นนายกก็ผิดนายขอก็ทำผิดมาตรฐานนั้นนายขอก็ผิดแต่นายกนายขออาจจะเป็นญาติพี่น้องของเราก็ได้เพื่อนฝูงของเราก็ได้หรืออาจจะเป็นศัตรูเราก็ได้แต่เราไม่ได้อาศัยความเกี่ยวข้องผูกพันทั้งฉันมิตรฉันศัตูตเป็นเครื่องมือในการตัดสินมินิฉัยมันก็เบื่อได้ไรอ่ะดูตัวอย่างง่ายๆว่าเมื่อกเราไปช่างน้ําหนัก ใครก็ได้ขึ้นไปยืนตร ง, ตรงนั้นน้าหนักมันก็จะขึ้นตามตามน้ำหนักของเขาเราก็บอกเราอ่านรายงานไปเรื่อยเรามีหน้าที่จ้างเราก็บอกคนนั้นหนักเท่านั้นคนนี้หนักเท่านี้คนนั้นหนักเท่านั้ น, น, น, น, น, น, น, น, น, นโดยไม่ได้สนใจว่าเขาจะเป็นใครแต่พูดว่าเขาหนักเท่าไหร่ประบุบนคุณโทษที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราหรือในชีวิตของคนอื่นก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่ในช่วงนี้ก็มองเฉพาะเรื่องของเรา หมายควมองให้โทษประจักษ์แก่ใจอะไรที่เป็นความผิดพลาดปกพร่องซึ่งก็คือความผิดพลาดปกพล้องมันก็จับไฟเนี่ยมันร้อนไปแล้วมันก็ร้อนเนี่ยนะคือปฏิเสธเรไปร้อนไม่ได้แต่ว่าหลังตารวมระวังอย่าไปจับมากก็แล้วกันเพราะในชั้นวินัยของพระเออภิกษุก็ดีหรือภิกษุณีก็ดีมันมีบทบัญญัติที่ทขาเรียกว่าแสดงอบาป แสดงกาบัดเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกของบุคคลผู้นั้นว่าผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกเราผิดเราก็สำนึกว่าผิดก็ขอแสดงการบัดเพื่อคนอื่นรับรองเป็นตะกี้ประยัดในบทแสดงกาบัดเนี่ยมันเป็นภาษาบาลีแต่เวลาแปลแล้วก็จุกจีมหน้าเอ็นดูคือแสดงถึงว่าพืชอัตยาศัยก็แต่เราฝ่ายนั้นพร้อมที่จะรับฟัง พร้อมที่จะเข้าใจพร้อมที่จะให้อภัยพร้อมที่จะอดทนพร้อมที่จะรอคอยเพื่อมองเห็นความเจริญก้าวหน้าของบุคคลคุณนั้นเพราะกันแสดงบัตรก็คือการมองเห็นโทษว่าไม่เป็นโทษแต่ว่าโทษนั้นเกิดขึ้นจากการทําอะไรไปตามหนะ้าองกิเลสเราก็เห็นว่ากิเลส น, นั้นเป็นเหตุให้เกิดโทษอย่างนี้ เพอต้องการจะตารวจระวังต่อไปก็บอกว่าได้ทํา so. ผิดอย่างนั้นอย่างนี้องค์ธิรับทราบกระถามว่าท่านมองเห็นว่าเป็นความผิดจริงท่านมองเห็นว่าเป็นความผิดหรือเปล่าท่านก็บอกก็มองเห็นว่าเป็นความผิดองค์ธิรับทราบบอกไม่เป็นไรครับตั้งแก่ตารวจระวังต่อไปก็แล้วกันแต่กระปากนะบอกครับผมจะตั้งแก่ตารวจรวังต่อไปสามครั้งมันเหมือนกับตอนสุดท้ายที่ท่านสาธารณชนรับศีลนั่นเอง ใตอนท้ายที่บอกว่าดุคนจะเข้าสู่สุคติได้ก็เพราะศีลสมบูรณ์หรือพกกุทธสมบัติได้ก็เพราะศีลรูมผล น, นิพพานก็เพราะศีลเพราะจะนั้นท่านทั้งหลายจงจำระศีทั้งหมดจบเราก็รับว่าสาธุก็สาธุแล้วมันอีกวันสองวันก็ขาดอีกก็ไม่ได้ว่าอะไรกันแต่หมายความว่าเรามองเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วไม่เข้าข้างตัวเอง มันก็ขจัดกิเลสประเภทหยาบลงไปได้คนเรานั้นถ้าเดินมาถึงจุดนี้ได้อะไรมันจะดีขึ้นมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับศีลธรรมยันดาเมื่อเราผิดก็คือผิดยญาพี่น้องผิดก็คือผิดตัตรูผิดก็คือผิดก็พูดกันเฉพาะผิดทำนองใกล้ยๆกับคนจับไฟก็ร้อนคนกินเกลือก็เค็มนั่นเองเป็นอาศัยประสาทสัมผัสต่างๆเป็นเครื่องมือในการวิจัยตัด โดยมีมาตรฐานมีกฎเกณฑ์เหล่านั้นปักิเลสจึงส่งสอนให้มองในแง่ของความเป็นโทษในระดับนี้ระดับศีลที่ยกตัวอย่างมานั้นเพิ่งเห็นว่าเป็นปกฏแรงเพราะเป็นที่ตั้งของเวรของภัยของอันตรายทั้งหลายแล้วก็เป็นเหตุให้บังเกิดในทุกขติต่อไปในภายภาคหน้าด้วยปจึงเป็นปัญหาเร่งด่วนที่พระเจ้าทรงรีบสอนในตอนต้น ไม่ว่าจะเป็นอุบาสกปิติกาเป็นพิสูุสามเดรก็ตามนะครับคุณสังเกตว่าพวกนี้เป็นความรุนแรงส่วนกิเลสประเภททางใจระดับนิวรนั้นที่จริงมันไปห้ามระดับฌานไม่ใช่ห้ามระดับสวรรค์ปัญหาระดับนั้นมีน้อยลงแต่ปัญหาเร่งดวดนั้นคือความรุนแรงของกิเลสที่เกิดขึ้นภายในใจ และทำอะไรไปตามหน้าคงกิเลสเหล่านั้นซึ่งอาจจะเป็นอันตรายกระทบกระเทือนต่อสวัสดิภาพของบุคคลภายในสังคมจานวนมากบ้างน้อยบ้างนะฮะตามความรุนแรงของกิเลสและตามอาการชี้ดำจนดู จ, จชวนให้คนอื่นเข้ามาร่วมกิจกรรมในทางทำลายล้างกันต่อต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบส่อ